สวัสดีครับทุกท่านยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่คลังสยองและวันนี้ผมจะพาทุกท่านเข้าไปสัมผัสความลี้ลับในป่าลึกและอาถรรพ์ในป่าดงพงไพรกับเรื่องที่มีชื่อว่าเสือผีจากแดนเกรเหลียงก่อนอื่นต้องขอเกริ่นก่อนนะครับว่าผมเป็นคนสุราษฎร์ธา น, นีแต่กําเนิดพ่อเป็นคนสุราษฎร์แต่ว่าแม่ผมเป็นคนพะเยาและเรื่องที่ผมจะเล่าต่อไปนี้ เป็นเรื่องที่คุณยายผมเล่าให้ผมฟังเรื่องมันเกิดในสมัยที่ยายผมยังเป็นวัยรุ่นอยู่สมัยก่อนนั้นทางภาคเหนือถือว่าเป็นภูมิภาคที่มีป่าเขาที่ค่อนข้างจะสมบูรณ์เมื่อก่อนถ้าใครไม่ได้ทําไร่ไม่ได้ทํานาปลูกข้าวก็ต้องเข้าป่าล่าสัตว์เพื่อเอามาใช้แลกเปลี่ยนหรือนําไปขายเพื่อแลกเงินและนั่นก็เป็นเรื่องของยุคสมัยที่ยังไม่มีไฟฟ้าเข้าถึงเลยสักหมู่บ้านแม้แต่บ้านยายของผมเอง ถึงจะอยู่ในอำเภอเมืองพะเยาแต่ก็ใช่ว่าจะเจริญอะไรมากนักยายผมเล่าให้ฟังว่าเวลาที่พ่อของยายซึ่งก็คือตาทวดของผมขึ้นเขาเข้าไปล่าสัตว์ในป่าไปครั้งหนึ่งก็2อถึงเดือนเป็นอย่างต่ำมันเลยทำให้ยายของผมคลุกคลีกับเรื่องป่าเขาพอสมควรเมื่อปีพศ2486เป็นครั้งที่ตาทวดของผมไม่มีวันลืมไปตลอดชีวิต มันเป็นครั้งสุดท้ายของการล่าสัตว์ในป่าลึกของท่านกับประสบการณ์ลี้ลับของคณะเดินทางที่ต้องผจนกับเสือผีจากป่าแดนกะเหลียงตอนนั้นยายทวดของผมท่านไม่สบายหนักมากทำนาไม่ได้ทางบ้านก็เลยขัดสนเรื่องเงินทองที่จะใช้จ่ายภายในครอบครัวเพราะว่าบ้านแม่เป็นคนจนตาทวดก็เลยต้องเข้าป่าเพื่อไปล่าเขากวางงาช้างหรือของหายากในป่าลึก เพื่อเอามาขายให้กับคนเมืองกรุงท่านเลยชวนพักพวกที่รู้จักกันมาตั้งแต่เด็กชวนกันออกเดินทางไกลไปยังเขาภูสางซึ่งมีอาณาเขตติดกับจังหวัดเชียงรายและสอป ป, อ ป, อปอลาวแต่ถึงตาทวดของผมเองท่านจะเคยเข้าป่าล่าสัตว์มาเยอะพอสมควรแต่การเดินทางไกลในครั้งนี้จำเป็นต้องมีพรานไปกับแกด้วยหลังจากเตรียมอาหารและสเสบียงไม่ว่าจะเป็นข้าวเหนียวเนื้อแห้ง หรือปลาแห้งกันเสร็จสับแล้วทั้งหมดก็ออกเดินทางกันในบ่ายของวันนั้นเลยการเดินทางใช้เวลาเกือบสามอาทิตย์กับระยะทางเกือบร้อยกิโลจากบ้านกว่าจะเดินมาถึงจุดที่ล่าสัตว์เนื่องจากว่ามีพรานป่ามาด้วยทุกคนก็ทําตามที่พรานป่าแนะนําทุกอย่างช่วงบ่ายคล้อยของวันนั้นทุกคนจัดแจงอุปกรณ์ตัดไม้ไผ่มาทําห้างและทํากระบอกไม้ไผ่เอาไว้เยี่ยวเพราะว่าตอนขึ้นห้างแล้ว เขาห้ามลงมาจากห้างเด็ดขาดจนกว่าแสงของพระอาทิตย์วันใหม่จะโผล่ขึ้นมาให้เห็นและเนื่องจากคณะมากันทั้งหมด6คนจึงได้ทำห้างไวสองจุดบนต้นไม้2ต้นที่มีระยะห่างกันพอสมควรเมื่อถึงเวลาพรบค่ำทุกคนต่างแยกย้ายกันขึ้นห้างของตนโดยแบ่งเป็นห้างละสมคนเวลาผ่านไปไม่นานทุกอย่างก็มืดสนิทมีเพียงเสียงจิ้งหรีดเรไรที่ร้องดังระงม และเสียงของสัตว์ป่าที่ดังมาเป็นระยะระยะณจุดที่ทุกคนซุ่มอยู่ในตอนนี้มันเป็นบริเวณดินโปง่งที่พวกสัตว์เล็กสัตว์ใหญ่จะออกมากินดินโป่งในเวลากลางคืนและเป็นจุดที่ช้างชอบมากที่สุดเนื่องจากรอยเท้าที่ยังใหม่อยู่มันจึงทำให้ทุกคนมั่นใจว่ายังไงคืนนี้ก็ต้องได้แน่นอนและมันก็เป็นจริงดังว่าเมื่อมีกวางตัวผู้ขนาดใหญ่เดินย่องย่อมากินดินโปง่ง และแน่นอนว่าตาทวดของผมเป็นคนยิงเข้าไปหนึ่งนัดไม่โดนคอก็โดนหัวอย่างแน่นอนทีเดียวล้มเลยและหลังจากสิ้นเสียงปืนได้สักพักพรานที่อยู่ด้วยกันจูๆ่ๆแกก็มีอาการลุกลี้ลุกลนเหมือนก็เห็นอะไรและหลังจากนั้นเรื่องราวแปลกๆก็เริ่มเกิดขึ้นเมื่อป่าที่มีแต่เสียงสัตว์จูๆ่ๆก็เงียบไปซะอย่างนั้นและสมัยก่อนไฟฉายก็ไม่มีอาศัยเพียงแค่แสงไฟจากตะเกียง และเนื่องจากห้างมีระยะห่างกันอยู่พอสมควรเลยส่งสัญญาณกันลำบากตาทวดของผมท่านอยู่ห้างเดียวกับพรานพรานก็บอกตาทวดผมว่าให้เอาปืนออกมาแล้วเอาลูกออกให้หมดจากนั้นพรานก็ยื่นลูกตะกั่วสีดำๆำแดงแงให้คนละสิบกว่าเม็ดพรานก็บอกว่าถ้าเห็นอะไรเป็นตาสีแดงๆให้ยิงได้เลยเวลาผ่านไปสักพักจากเสียงป่าที่เคยเงียบสงด จูจูก็มีเสียงลิงข้างร้องดังมาแตะไกลมันร้องใกล้เข้ามาและใกล้เข้ามาเรื่อยๆและสิ่งที่ทุกคนเห็นอยู่ตรงหน้านั้นมันไม่ใช่แค่ลิงมันเป็นเงาของสัตว์ขนาดใหญ่ใหญ่พอที่จะกระโดดขึ้นมาที่ห้างที่ทุกคนอยู่ได้อย่างสบายๆเพียงแต่ในตอนนั้นมันยังคงนั่งจ้องซุ่มอยู่ในพุ่มไม้อย่างเงียบๆตาที่เป็นประกายของมันคู่นั้นทวด บ, บอกว่ามันจ้องมองมาเหมือนกาลังแคะใครสุดขีด หลังจากที่ทุกคนอึ้งกับสิ่งที่เห็นอยู่ตรงหน้าตัวพรานเองก็ได้เตือนสติทุกคนไม่ให้ตกใจหรือขวัญกระเจิดกระเจิงไปซะก่อนทันใดนั้นเสียงปืนจากอีกห้างหนึ่งก็ดังขึ้นพรานจึงส่งสัญญาณว่าให้ยิงได้เลยตาแดงๆเป็นสิบๆคู่ห้อยโหัวมาตามกิ่งไม้โหนไปมาและใกล้เข้ามาเรื่อยๆพอได้ระยะทุกคนก็ยิงพร้อมๆกันเสียงมันหล่นดังตุบ เหมือนมีอะไรบางอย่างหลนจากที่สูงลงกระแทกพื้นพอยิงกันไปได้สักพักใหญ่ราวครึ่งชั่วโมงทุกอย่างก็เหมือนจะเงียบลงแต่ก็ไม่มีใครกล้างลงไปดูข้างล่างว่าเกิดอะไรขึ้นแม้แต่ตัวพรานเองที่อยู่ๆก็สั่นไปทั้งตัวเหมือนคนโดนผีเขา้าคนที่เหลืออยู่ก็ทำอะไรไม่ถูกได้แต่ส่องตะเกียงหันหลังชนกันและเล็งปืนไปรอบๆด้วยความหวาดระแวงในตอนนั้น ทวดของผมอยากจะตะโกนไปหาเพื่อนที่อยู่อีกห้างหนึ่งแต่ก็ทําไม่ได้เพราะเขาห้ามไม่ให้เรียกกันในตอนกลางคืนซึ่งเวลาตอนนั้นก็น่าจะประมาณตีหนึ่งจู่ๆเสียงพุ่มไม้ที่อยู่ด้านล่างก็เริ่มไหวไปมาเสียงใบไม้แห้งดังแกรกแกรกพร้อมกับเสียงครางทุ้มต่ำเบาๆที่ดังเข้ามาใกล้เรื่อยๆและสิ่งที่ปรากฏตรงหน้ามันทําเอาตาทวดของผมอึง้ง จนอ้าปากค้างมันคือเสือลายพาดกรอนตัวใหญ่มากใ่ที่สุดเท่าที่ในชีวิตนี้จะเคยเห็นมาเขี้ยวมันยาวงุ้มจนเลยค้างออกมามันทําท่าจะกระโดดขึ้นมาบนห้างซึ่งอยู่สูงพอสมควรทั้งสามคนตาทวดผมพลานแล้วก็เพื่อนอีกคนเหนียวไกยิงพร้อมกันและเหมือนจะโดนร่างของเสือนั้นเต็มๆ ม, มันนอนแน่นิ่งอยู่ใต้โคนต้นไม้โดยความสัตว์จริงตอนนั้นตาทวดผมแกบอก แกรู้สึกโล่งเหมือนเรื่องทุกอย่างมันจะจบลงแล้วและคืนนั้นทั้งคืนก็ไม่มีใครกล้าหลับลงเลยแม้แต่คนเดียวจนรุ่งเช้าทั้งสมคนก็ได้ลงมาจากห้างและภาพที่เห็นนั้นก็คือลูกพี่ลูกน้องของตาทวดนอนจมกองเลือดอยู่ใต้โคนต้นไม้ในมือยังถือมีดครกไว้แน่นและที่ลำตัวพบรอยกระสุนทั้งหมด3จุดตอนนั้นตาทวดได้แต่นั่งร้องไห้อยู่ข้างๆศพ จากนั้นพรานก็เดินตรงไปยังต้นไม้ใหญ่อีกต้นซึ่งเป็นจุดที่ใช้ขัดห้างอีกจุดหนึ่งและภาพที่น้าเวทนาก็ปรากฏอยู่ตรงหน้าใต้ต้นไม้ใหญ่ที่ใช้ขัดอีกห้างสองคนที่ตอนนี้เหลือเพียงแขนที่ขาดสะบันมื อ, อยังคงกำปืนไว้แน่นและร่างของทั้งสองคนนั้นหายไปอย่างไร้ร่องรอยมันไม่มีร่องรอยอะไรเลยแม้แต่รอยเท้าของสัตว์ใหญ่ก็ไม่เหลือทิ้งไว้เท่าที่พรานบอกมันต้องมีใครสักคน แอบลงมาเยี่ยวข้างล่างอย่างแน่นอนเนื่องจากเข้าป่ามาลึกมากหมู่บ้านที่ใกล้ที่สุดคืออยู่ห่างออกไปภูเขาอีกสามลูกลงมาทางเชียงรายทุกคนทำได้เพียงแค่ทิ้งศพไว้นจุดนั้นเพราะถ้าขืนแบกกลับไปด้วยยิ่งจะเป็นการถ่วงเวลาการเดินทางมีแต่ตายกับตายสถานเดียวพรานพูดสั้นๆว่าต้องรีบออกไปจากที่นี่ให้ไวเลยทั้งหมดจึงรีบออกเดินทางทั้งสมคนอ่อนเพลียเต็มทน โดยสภาพที่ไม่ได้นอนทั้งคืนทําให้เรียวแรงเหลือน้อยเต็มทีตาทวดผมเหมือนจะถอดใจแล้วแต่พรานที่มาด้วยก็มีของดีไม่ใช่น้อยเนื่องจากใกล้เมื่อเต็มทีทุกคนมองหาที่โล่งอันมีน้อยนิดในป่าลึกเพื่อเป็นจุดพักอาศัยแล้วพรานก็เอามีดหมอขึ้นมาทําพิธีโดยใช้มีดขีดเป็นวงกลมขนาดใหญ่พอสมควรแล้วก็ปักมีดไว้ตรงด้านหน้าทั้งสมคนนั่งหันหลังชนกันภายในวงกลมอาคม พร้อมกับปืนกระบอกใหม่อีกสมกระบอกซึ่งเป็นของผู้เคยมีชีวิตอยู่ก่อนหน้านี้ทุกกระบอกถูกบรรจุด้วยกระสุนตะกัวสีดำเว้นแต่ของพรานที่ใช้เป็นกระสุนเขี้ยวหมูตันพรานพูดสั้นๆว่าไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นอย่าวิ่งออกนอกวงกลมนี้ไปนันขาดทุกคนนั่งเหมือนรอความตายและรู้สึกได้ถึงสายตาอะไรบางอย่างที่กำลังจ้องมองมาแล้วมันก็โผล่ อ, ออกมาจริงๆเสือลายพาดกรอนตัวเดิม และที่เลวร้ายไปกว่านั้นก็คือคราวนี้มันมาสองตัวตาทวดผมกลัวจนกลั้นน้ำตาไว้แทบไม่อยู่แกไม่อยากจะเชื่อว่านั่นจะใช่เสือจริงๆหรอกทำไมตัวมันใหญ่ได้ถึงขนาดนั้นแถมเขี้ยวยังยาวเฟื้ยพรานพูดสั้นๆเบาๆว่าอย่าเพิ่งยิงรอให้มันเข้ามาใกล้ก่อนแล้วค่อยยิงพอเสือมันย่องเข้ามาจนได้ระยะพรานจิงตะโกนบอกและส่งสัญญาณว่าให้ยิงได้ทันที ปืนทั้ง6กระบอกจากคนสามคนช่วยกันกระหน่ำลั่นไกลยิงสลับกันไปมาเพราะว่ามันบรรจุกระสุนได้ครั้งละนัดเสือร้องครางดังลั่นป่าแล้วมันก็ล้มนอนตายอยู่ตรงนั้นเลยแต่ตัวที่ทุกคนยิงล้มนั้นมันเป็นเพียงแค่เสือโครงธรรมดาส่วนไอตัวใหญ่มันยังคงนั่งเฝ้าอยู่เงีย บ, ยบมันจ้องมองมาที่พักพวกของตาทวดผมอย่างไม่ละสายตาแล้วจู่ๆพรานแกก็ชักมีดดอกไม้กเกลิม แล้วเอาปากลงดินตรงด้านหน้าเขี้ยวหมูตันตับเหล็กหุ่นควายปั้นถูกนําออกมาจากย่ามจากนั้นพรานก็พนมมือแล้วบริกรรมคาถาแกบอกถ้ามีตัวอะไรเข้ามาอย่าได้ไปยุ่งกับมีดเล่มนี้เป็นเด็ดขาดตาทวดผมทำได้แค่พยักหน้าและทำตามทุกอย่างที่พรานบอกจากนั้นพรานก็พูดออกมาสั้นๆเป็นภาษาเกรียงอยู่ดีๆเงาดาๆขนาดใหญ่ ตัวพอๆกับเสือลายพาดกรอนตัวนั้นก็วิ่งตรงไปยังเสือผีที่นอนตะคุ่มตะคุ่มอยู่ในพุ่มไม้แห่งนั้นเสียงควายร้องดังลั่นป่าตาทวดผมถึงกับอึง้งเงาดำๆนั้นมันเป็นควายอย่างแน่นอนภายใต้เงาดำทะมึนแต่สามารถเห็นเขาที่ยาวงวงจนดูน่ากลัวทุกคนได้แต่จ้องมองไปยังเงาดำทะมึนที่อยู่เบื้องหน้ามันทั้งสองกําลังขู่กันเสียงดังก้องป่า แสงสว่างจากดวงจันทร์ในคืนเดือนไห่กดสว่างพอที่จะทําให้ทุกคนมองเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นตรงหน้าเงาดําขนาดใหญ่วิ่งเข้าฟัดกับเสือผีตัวนั้นอย่างบ้าคลั่งอยู่พักหนึ่งแล้วจูๆ่ๆเงานั้นก็หายไปซะเฉยๆเลยมีดหมอที่พรานปักเอาไว้อยู่ๆมันก็นล้มไปซะอย่างนั้นโดยที่ไม่มีใครไปแตะต้องอะไรเลยเหงื่อการผุดมาเต็มใบหน้าของทั้งสมคนตอนนี้ พวกเขาได้แต่จับปืนเล็งไปที่เสือที่กำลังจะเดินตรงเข้ามามันเข้ามาใกล้พอที่จะทำให้ยิงโดนเหมือนเสือตัวแรกทั้งสามคนลั่นไกปืนเต็มเหนียวแต่ปืนกลับยิงไม่ออกเหมือนแก๊ปมันชื้นทั้งๆ ท, ท, ที่ฝนไม่ได้ตกเลยด้วยซ้ำพานหยิบเขี้ยวหมูตันออกมาสองอันแกยกมือไหว้แล้วบริกรรมคาถาเป็นภาษาเกียงแล้วก็เอาเขี้ยวหมูตันใส่ลงไปพร้อมกับกระสุนตะกวัวสีดาจากนั้น พรานก็เอาปืนประทับที่บ่าเตรียมยิงทันทีโดยให้ตาผมเป็นคนส่งปืนอีกกระบอกหนึ่งให้หลังจากที่กระสุนจากกระบอกแรกลั่นออกไปแน่นอนเสือโครงลายพาดกรอนตัวนั้นมันก็กระโจนเข้ามาจริงๆแล้วพรานก็เหนียวไกลยิงออกไปอีกหนึ่งนัดเสือตัว น, นั้นร้องดังลั่นป่าแต่มันก็ยังคงพยายามที่จะเดินเข้ามาอีกตาทวดผมส่งปืนอีกกระบอกหนึ่งให้และพรานก็ยิงซ้ําไปอีกหนึ่งนัดกระสุนเข้าเต็มเต็มลำตัว เนื่องจากตัวมันใหญ่มากๆใหญ่พอที่จะทำให้โดนยิงได้โดยง่ายในระยะแค่นั้นสิ้นเสียงปืนเสือผีกระเสือกระสนถอยร่นกลับไปและหายเข้าไปในความมืดพร้อมเสียงร้องที่บ่งบอกถึงความเจ็บปวดดังก้องป่าหลังจากผ่านพ้นข้ามคืนที่แสนโหดร้ายตาทวดผมพรานแล้วก็เพื่อนก็เดินอ้อมมาทางเชียงราย จนไปเจอหมู่บ้านกรเี่ยงซึ่งพรานเองก็รู้ภาษาเกรเี่ยงดีอยู่แล้วเลยเล่าเรื่องทั้งหมดที่เกิดขึ้นให้คนเฒ่าคนแก่ในหมู่บ้านฟังพูดเท่าได้แต่สายหัวแล้วพูดว่าเอาอีกแล้วเหรอไม่น่าเลยรอดมาได้ก็โชคดีอย่างน่าเหลือเชื่อแล้วพูดเท่าชาวกระเรี่ยงเล่าให้ฟังว่าเสือโครงลายพาดกรอนเขี้ยวยาวตัว น, นั้นเมื่อก่อนมันเคยเป็นพรานของหมู่บ้านแห่งนี้ เป็นผู้มีวิชาอาคมที่แก่งกล้าที่สุดพรานผู้นี้ชอบล่าเสือโครงเมื่อจับมันมาได้ก็จะตัดหัวแล้วเอาหน้าผากมาทำเครื่องรางแต่เวรกรรมมันมีจริงครั้งหนึ่งพรานคนนั้นเสียท่าโดนเสือโครงตัวใหญ่สองตัวฟัดจนสบดูแทบไม่ได้และตั้งแต่นั้นมาเสือผีกะเหี่ยงก็เกิดขึ้นและหลังจากวันนั้นเป็นต้นมาตาทวดผม ก็ไม่เคยเข้าไปล่าสัตว์ในป่าลึกอีกเลยบทสรุปจากปากตาทวดผมและพรานสามคนที่อยู่อีกห้างหนึ่งนั้นต้องมีใครสักคนที่ทำผิดผีโดยการยืนเยี่ยวลงมาจากห้างเพราะยังมีกลิ่นเยี่ยวอยู่ตอนที่พรานเดินไปดูศพที่เหลือแต่แขนเสือตัวใหญ่ที่ทุกคนยิงนั้นที่จริงแล้วก็คือญาติของตาทวดที่น่าจะวิ่งหนีอะไรสักอย่างมาทางห้างของตาทวดกับพราน ทั้งสามคนที่อยู่อีกห้างหนึ่งมีแต่ลูกปืนตะกวดธรรมดาไม่มีตะกวดอาคมดำแดงของพรานเข้าป่ารอบนี้ไม่ได้อะไรเลยศพก็ไม่ไดเดากลับมามีแค่ปืนสามกระบอกที่เอาไว้ดูต่างหน้าลิงข้างตายอยู่ข้างล่างเป็นสิบตัวทุกคนคิดว่าเป็นลิงผีที่ถูกเสือผีกระเหี่ยงดนจิต ด, ดนใจให้มาทำร้ายคนบนห้างและที่สาคัญเสือผีตัวนั้นมันยังไม่ตาย มันเป็นเรื่องที่ยายผมเล่าให้ผมฟังจริงๆถ้าถามว่าจริงไหมท่านคงต้องใช้ดุลยพินิษ์และวิจรารณญาณตัดสินกันเอาเองแต่ถ้าถามผมในฐานะหลานของยายผมเชื่อว่าตาทวดกับยายผมไม่ได้โกหกผมอย่างแน่นอนและผมยังเชื่อว่าปัจจุบันเสือผีกระเรี่ยงก็ยังคงวนเวียนอยู่ในป่าลึกแห่งนั้นขอขอบคุณที่มาเรื่องเล่าจากคุณธนานนท์และเว็บไซต์ s o c c e r a k c o m